ขอน้อมน้อมต่อคุณพรตนาตรัยขอากาสพระอาจารย์ทรงศิน์เพื่อนสามี ท, ท, ม ท, า ท, ท, ทุกท่านเจริญธรรมไม่ชีและญาติธรรมทุกท่านเนะก็นั่งสบาย ๆ, ๆเนอะวันนี้ก็เป็น <c oughs> วันที่สิบสามเมษายนสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าก็เป็นวันมหาสงการเนะ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันนี้คนส่วนใหญ่ก็จะไปเที่ยวกันตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมีความเพลิดเพลินสนุกสนานไปในอารมณ์ในทางโลกเนาะแต่ว่าเราส่วนหนึ่งก็ได้มาที่วัดป่าสุกโตกัน <c oughs> เพราะว่าเรารู้แล้วว่าตรงเนี้ยมันมันดีกว่าที่อื่นเนา ะ, ะตรงเนี้ยเราได้มาเจริญสติม <c> า <oughs> เจริญปัญญา อ่มาทําสิ่งที่ดีกับตัวเรานะ <c oughs> อันนี้แหละคือหนทางที่เรียกว่าเราตัดสินใจถูกต้องแล้วประเภทนี้สงกานรนเะมื่อวานเราก็ได้อ่าสงน้ําพระพุทธรูปนะแล้วก็สงน้ําพระสงฆ์พระครูบาอาจารย์ต่างๆนะแล้วก็พระครูบาอาจารย์ก็ได้ให้พรกับพวกเรานะหลายๆอย่างนะนถมาตรงเนี้ย การส่งน้ำเนี่ยอันนี้ถือว่าเราทำตามประเพณีเดิมเนาะทุกวันนี้ก็ถ้าเราไปตามที่ <c oughs> ที่ยวเล่สงการกันก็จะเป็นเล่นอีกแบบหนึง่งเนาะใชนะ้น้ำสาดกันนะ้ำเอาปืนฉีดน้ำยิงกันนะหรือไม่ก็นะปาแป้งต่างๆแล้วเนี้ยนั้นจริงๆแล้วนะก็เป็นประเพณีที่เรียกว่านะไม่ใช่ประเพณีดั้งเดิมเนาะนะแต่ว่าประเพณีดั้งเดิมที่เมื่อวานเราทำก็เป็นสิ่งที่เรียกว่า อันนั้นน่ะก็น่าจะถูกต้องกว่านะเพราะเราทำน ด, ด้วยความนอบน้อมเนาะตรงนี้เราเราใช้น้ําในการที่เลยกว่าเรามอบสิ่งดีๆให้กับผู้ใหญ่นะน้ํานี่แหละดีที่สุดนะน้ําส่งน้ําพระพุทธรูปส่งน้ําผู้ใหญ่ส่งน้ําพระครูบาอาจารย์ต่างๆเราเนี่ยเนาะเพราะฉะนั้นน้ํานี่แหละก็คือเป็นสิ่งที่แทนน้าใจของเราเนาะ ทำไมมันต้องเป็นน้ำอันนี้สงสัยไหมนะน้ำในจริงๆแล้วไม่เหมือนอย่างอื่นเนาะน้ำเนี่ยใส่ไปในแก้วก็เป็นรูปร่างแก้วนะหรือว่าใส่ไปในขวดก็เป็นรูปร่ปางของขวดน้ำหรือใส่ไปในเจกันก็เป็นรูปร่างของเจกันนะใส่ไปในตุ่มก็เป็นรูปร่างของตุ่มนะใส่ไปในจานก็รูปร่า ง, งจานนะรูปร่างมันจะต่างกันหมดเลย แต่พอเราเทน้ําออกจากภาชนะเหล่านั้นนะก็จะกลับคืนรูปร่างเป็นน้ําอีกครั้งหนึ่งนะรูปร่างเป็นน้ําก็คือรูปร่างของเขานั่นแหละก็คือเขาอยู่ในภาชนะอะไรเขาก็เป็นรูปร่างเช่นนั้นนะจะอยู่ใน <c oughs> ตรงไหนแม้ <c oughs> แต่อยู่ในคลองในทะเล ก, ก็เป็นรูปร่างในคลองในทะเลเช่นนั้นนะอเพราะน้ํานี่มันมันจริงไม่เหมือนอย่างอื่นเนาะอย่างอื่นเราใส่ลงไปแล้วเนี่ยมันก็มันก็คงจะใส่ไม่ค่อยลงหรอกใช่ไหมเทก็ไม่ค่อยออก แต่น้ำเนี่ยมันไม่เหมือนอย่างอื่นเนะมันก็คือน้ำนี่แหละก็คือน้ำใจของเรานั่นเองเนาะมาสังเกตดูใจเราเป็นแบบน้ำไหม <c oughs> ใช่ไหมอ่าบางทีใจเรานะมันไปกระทบอารมณ์ต่างๆนะอ่ากระทบความโกรธเราก็ปฏิติในความโกรธนะอ่าบางคนติดเป็นวันๆก็มีนะติดเป็นหลายๆวันก็มีนะบางคนติดเป็นปีๆก็มีนะบางคนติดแบบโอ้เราจะไม่ให้อาภัยก็เลยในชาตินี้นะ อันนี้มันติดนานติดนานนะการติดตรงเนี้ยสังเกตไหมว่ามันนําความทุกข์ไหมหเราเนาะแต่ถ้าเรารู้จักเรื่องน้ํานะเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วน้ำนะ่นละถึงน้ําใจของเรานั่นเองนะเราจะอยู่ในลมอะไรก็ได้เราก็ไม่ว่าก็หรอกใช่ไหมเราจะหนีไม่พ้นนะอยู่ในทางโลกนี่แหละมันมีมอารมณแย่ๆใช่อหมเราจะกระทบอดีบ้างไม่ดีบ้างสุขบ้างทุกบ้าง โกรธมั่งรักมั่งเกลียดมั่งมันกระทบอยู่เรื่อยๆนะก็เหมือนกับใจเรานี่แหละอ่มันเข้าไปอยู่ในอารมณ์ต่างๆก็คือรูปร่างภาชนะต่างๆไม่เหมือนกันนะแต่เมื่อ <c oughs> เมื่อเขาอยู่แล้ว <c oughs> ตรงเนี้ยอ่าเมื่อเทมาแล้วพขาก็คือเป็นน้ํานั่นเองนะไม่ใช่เทมาแล้วกลายเป็นถ้วยเท <c oughs> มารูปร่างเหมือนกันเลย <c oughs> เทยใส่แก้วน้ําอ่าออกมาเทออกมาจากแก้วน้ําก็เป็นรูปร่างแก้วน้ำอ่านะ เทใส่ขันก็รูบ้บ้างออกมาเป็นขันนะอันนั้นก็คือเนี่ย <c oughs> มันไม่ใช่น้ําจริงๆนะแต่ตรงหน้าก็คืออารมณ์ของเราที่ไปติดอยู่ <c oughs> เพราะฉะนั้นน่ะการมาทําก็คือใจเราเนี่ยมันต้องเป็นน้ําให้ได้เนา ะ, ะน้ําเนี่ยมันมีความเย็นนะโดยตัวเขามีความเย็นของเขาอยู่แล้วเนาะขั <c oughs> นเนี่ยใจเราที่เป็นปกติเนี่ยมันก็มีความเย็ น, น, ะ, มม <c oughs> น, นะมีความสดชื่นมีความสุงในตัวอยู่แล้วนะ เพียงแต่ว่าอารมณ์ต่างๆเนี่ยเขาจอดมาเองนะเข้ามาชั่วคราวแล้วก็ก็จากไปเกาไม่ได้อยู่ในใจเรานานหรอกเนาะทุกๆอย่างไม่ว่าจะลมอะไรก็แล้วแต่นะความรักเนี่ยเราว่าเออความรักมันดีนะน่าจะอยู่ในใจเรานา น, านๆนะแต่จริงๆก็อยู่ไม่นานแล้วก็ก็ไปนะความโกรธรู้สึกมันอยู่นานเหลือเกินนะออยู่นานแต่เขาก็ไปนะเนี่ยสภาวธรรมเนี่ยเราต้องเข้าใจอ่เข้ามาแล้วก็ไป เขาอยู่แค่ชั่วคราวเท่านั้นนะเขไม่ได้อยู่ในใจเรานานนะตรงเนี้ถ้าเราเราสามารถที่จะเห็นสาภาวะธรรมที่เข้ามาแล้วก็ไปได้เนี่ย <c oughs> อันนี้ก็าชื่อว่าเราเรามีปัญญาแล้วนะมีปัญญาในการเห็นความจริงในความเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปของลมต่างๆเหล่านั้นนะอันนี้ก็เรียกว่าเราสามารถเห็นปัตติลักษนะ์เห็นสาภาวะความไม่เที่ยงนะที่เข้ามาแล้วก็มีความชั่วคราว ไม่ได้ตั้งอยู่นานอะไรมีความเปลี่ยนแปลงมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดานะมีความทุกข์เนี่ยเผ้าลมต่างๆนี่เกิดขึ้นมันก็มีอยู่นะมีความสุขบ้างมีความทุกข์บ้างหรือมีความเฉยๆบ้างเราเห็นตรงนี้ไหมนะไม่ใช่เรามีความสุขก็ไปติดอยู่ในความสุขแต่เราไม่เห็นว่าขณะนี้กำลังมีความสุขนะอันนี้ก็ไม่ได้เกิดปัญญาอะไรเลยนะเราให้อยู่ในความสุขบางคนนั่งสมาธิก็โอ้จิตมีความสุขดีะ เป็นมีปิตินะมีความสุขก็ไปติดอยู่ในตรงนั้นไม่เห็นว่าขณะนี้กําลังมีความสุขเนาะเราปฏิบัติธรรมก็แล้วแต่เหมือนกันนะเดินจงกรมสร้างจังหวะมีความสุขในการปฏิบัติธรรมก็ให้กลับมาดูว่าขณะนี้ใจกําลังมีความสุขนะไม่ใช่ว่าไปอยู่แค่ในความสุขหรือไปติดในความสุขนะตรงนี้ก็เหมือนกับเป็นน้ําเหมือนกันเทมาก็เป็นรูปร่างนะที่เราใส่ไปนั่นแหละเทามาก็เป็นแข็งแข็งอย่างนั้นนะ เพราะเราไม่ได้เห็นตามความจริงในอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นนะเราก็ต้องเห็นสิ่งต่างที่เกิดขึ้นในใจของเราให้ได้ด้วยนะตรงนี้ถ้าเราเห็นแล้วมันก็เป็นแค่ความสุขหรือก็แค่ความทุกข์นะเร า, เาปฏิบัติรมแล้วอาจจะมีความไม่พอใจต่างๆไอ้วันนี้มันทำไมไม่ดีนะมาวายมันดีเนี่ยมันก็มีสภาวะธรรมให้เราเห็นแล้วเราไม่ดีเรามีความทุกข์ไม่ชอบใจ ก็รู้ว่าขณะนี้กำลังมีความทุกข์ไม่ชอบใจเกิดขึ้นนี่ยก็คือเห็นความทุกข์นั่นเองนะเห็นทุกข์ขังนะเพราะาเรามันทนสภาพเดิมไม่ได้นะมันก็เราเปลี่ยนแปลงไปเช่นนี้นั่นแหละนะเมะื่อวานเราไปบัดดีวันนี้เราไปบัดไม่ดีอ่านะถ้าเรายังไม่เข้าใจในสภาวธรรมเราก็มีความทุกข์อ่มันมันไม่ดีนะนะจิตเราตกนะเราทําไมไม่ดีถาวร น, นะไปบัติมาต้องนานแล้วทําไมไม่ไม่ดีจริงๆรนะิไม่ละกิเลสจริงๆรนะิมีความทุกข์ ตรงนี้เราก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีนะอ่าจริงๆแล้วเขาแสดงปฏายลักษณ์เราเห็นแล้วในความไม่เ like like right? ที่ยงนะเมื่อวานเราดีว hmm. right? ันน <t right>? ี้ไม่ดีนะแทนที่เราจะมีความทุกข์เรากลับมาพิกนิดนึงโอ้นี่เขาแสดงปฏายลักษณ์เราเห็นแล้วนะว่าเขาก็ไม่เที่ยงนะมีความไม่เที่ยงจริงๆเราเข้าใจว่าเขาไม่เที่ยงเราแค่เห็นความไม่เที่ยงอันนี้ก็คือเป็นปัญญาแล้วอันนี้จริงๆแล้วการที่เราเห็นปฏายลักษณ์นั่นแหละก็คือเราเดินปัญญาได้เองแล้วนะมันเป็นสภาวธรรมที่ว่า เพื่อให้จิตเกิดการเมือน่ายคลายกำหนัดนะในตรงนี้มันสำคัญกว่าที่ว่าจะต้องไปเอาดีหกับมันนะมันต้องดีทุกๆวันอะไรเงี้ยทำดีทุกวันมันก็ดีนะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีแต่จริงๆแล้วมันดีทุกวันไม่ได้หรอกนะมันก็เป็นบัณฑ์ของเขาเองนะไปบังคับให้เขาดีทุกวันไม่ได้อ่าเขาบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีอ่อันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของเขาเราก็กลับมาเห็นอ้อไม่เป็นไรนะเขาแสดงความไม่เที่ยงอ่าเรามีความทุกข์ในตรงนั้นก็เห็นมาตรงเนี้ยเขาแสดงความทุกข์ ให้เราเห็นเพราะว่าเราบังคับก็ไม่ได้นั่นเองนะเนี่ยเราก็กลับมาเห็นความจริงในตรงเนี่ยมันจะได้เข้ามาสู่ปัญญาจริงๆนะเพราะปัญญาจริงๆก็คือเราเห็นทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เป็นเรื่องเทวะผิดโอติอะไรนะมันจะดีก็ไม่เป็นไรจะไม่ดีก็ไม่เป็นไรเนี่ยอันนี้เป็นปัญญาก็คือปัญญามันปล่อยมันวางแล้วมันปล่อยมันวางนะครูบาอาจารย์บางองค์นะแม้แต่หลนะวํพ่อเขียนเขาก็บอกว่าช่างมันอะไรก็ช่างมัน ไม่เป็นไรช่างมันแล้วแล้วไปไม่อะไรก็อะไรงมันเนาะในอันนี้ก็คือปัญญาของครูบาอาจารย์คือท่านปฏิบัติธรรมมาถึงระดับนี้แล้วนั่นแหละท่านก็รู้ว่าตรงเนี้ยบังคับอะไรบัญชาก็ไม่ได้หรอกใช่ไห้เพราใจในระดับนี้ก็คือปล่อยวางอย่างเดียวไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันอะไรเกิดขึ้นก็รู้ไปตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นไม่ต้องเอาดีกับเขาเนาะถ้าเราเอาเดีมันก็จะมีความทุกข์ใช่ไหมอุตสาเดินทางต้องไกลนะมาวัดป่าสุวตโต สี่วันห้าวันเพื่อจะมาปฏิบัติธรรมนะมาแล้วต้องได้อะไรสักอย่างหนึ่งติดเนื้อติดตัวกลับบ้านไปใช่ไหม น, ะนี่มามาได้ตัณหาแล้วนะอยากได้นะพอมันไม่ได้อย่างที่ต้องการก็มีความทุกข์ในชะ่ไหมเพราะว่าเราอยากได้เรามีตัณหาเนาะแต่ถ้าเรามาแล้วนะมันมันไม่ต้องอยากได้อะไรนะอนะ่หลงวงพ่อเทียนบอกว่าอยา ก, ยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากมีอันเนี้ยมันจะละตัณหาไปได้เยอะเลยอนะแต่เราปฏิบัติด้วย ฉันทะ <c oughs> ด้วยความพอใจนะก็คือปฏิบัตนะิเพื่อเป็นพุทธบูชานะหรือว่าการมาทำครั้งนี้ก็ให้ไนะปผลบุญให้แก่พ่อแม่ปู่ย่าตายายกับลูกกับหลานนะเราไม่ต้องไปได้อะไรกับมันเราก็ทำไปตามปุตินะได้หรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนี่ยมันก็ไม่ทุกเนาะเพราะนั้นถ้าเราอยากก็ได้แล้วเราไม่ได้เราก็มีความทุก <c oughs> แต่พอเราได้แล้ว <c oughs> โอ้ปฏิบัติแล้วมันดีมาหลายวันเนาะ แต่ภาวะ น, นี้ไม่ดีปุ๊บอ่าเราก็จะมีความทุกข์เราก็มาเข้าใจเนี่ยว่าอืเนี่ยตรงเนี่ยมันไม่เที่ยงนะ <c oughs> เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะไม่ดีหรอกอ่าก็คือเราเห็นความจริงอนตรงเนี่ยมันดีแต่ในสุดมันก็ไม่ดีเนี่ยเขาแสดงความจริงในประตารลักให้เราเห็นแล้วนะเพราะว่าอะไรเพราะเราบังคับบัญชาก็ไม่ได้นั่นเองนะอ่าถ้าเราบังคับบัญชาเขาได้ก็ต้องดีทุกๆครั้ง ทุกๆวันทุกๆเวลาใช่ไหมนะแต่จริงๆแล้วนะเขาก็ไม่อาจจะดีตามที่เราต้องการได้เนี่ยแสดงว่าเราบังคับบัญชาก็ไม่ได้นะเมื่อเราบังคับบัญชาก็ไม่ได้เขาก็จึงไม่ใช่ตัวไม่ตนของเรานะมันก็เป็นการถ่ายถอนความยึดติดในตัวตนของเราออนีนะเป็นอย่างดีนะแต่ถ้าเราทําแล้วมันดีทุกๆครั้งนะหรือเราบังคับเขาได้ทุครั้งเป็นไปตามเราต้องการนะซึ่งจริงๆแล้วคนเราก็ชอบแบบนี้อยู่แล้วนะ มันก็กลายเปว่าตัวเราเก่งเราดีเราวิเศษนะตัวตนก็โตขึ้นมาอีกใช่ไหมแทนในตัวตนจะลดลงตัวตนก็โตขึ้นมาอีกแล้วนะอันนี้มันมั น, ม, นมันตรงกันข้ามนะตรงกันข้ามที่ว่าเราอที่ความจริงที่ว่าพระเจ้าได้ทรงแสดงในตรงนี้นั่นแหละพระพุทธเจ้าแสดงอะไระแสดงสัจธรรมนะจริงๆแล้วในพุทธศาสนาเนี่ยมีคําสอนอยู่เยอะมากมายมากมายมากเลยนะแปดหมื่นสี่พันสี่พันมาทำอักขัน แต่บางทีถ้าเราจับประเด็นไม่ได้เนี่ยเราจะไม่รู้ว่าตรงไหนคือหัวใจหลักจริงๆนะหัวใจหลักจริงๆเนี่ยมันอยู่ในอ่าตรงนี้นั่นแหละอ่าพระไตรลักษณ์นะอันนี้ถ้าเห็นในอนัตตาและสูตรเนี่ยเราจะเห็นตรงนี้ได้ง่ายชัดเจนเลยพนะระพุทธเจ้าก็ถามอปัญญวคัคคีตอนนั้นไม่ปัญญวัคคีเนี่ยเป็นมัสโสดาบันหมดแล้วยังไม่มีใครเป็นพระรหังพระพุทธเจ้าถามว่าภิกษุทั้งหลาย <c oughs> รูปเวทนาสัญญาสังขารวิ ญ, ญญาณก็คือกายและใจเนี่ยเที่ยงแลือไม่เที่ยง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 นะตรงนี้ก็คือหัวใจหลักของพุทธนาอยู่ตรงนี้นั่นเองนะก็คือกลับมาเห็นปไตรลักให้ได้นะกลับมาเห็นตรงนี้นั่นแหละว่ามันไม่ตัวไม่ตนของเรานะพอเห็นตรงนี้ปุ๊บจิตก็เริ่มปล่อยด้วยมวางนะตรงนี้มันจะไปตรงกับอะไรอย่างหนึ่งหรือไม่ในสังโยชนสิบสังโยชนสิบเนี่ยคือผู้ใดละสังโยชนได้สามตัวนะเป็นพระโสดาบันและเป็นพระสกิทาคามีละได้ห้าตัวก็จะเป็นพระนาคามี รายได้ทั้งหมดสิบตัวก็จะเป็นพระหันเนาะคราวนี้สังโยตัวแรกเนี่ยที่เรียกว่าเป็นด่านแรกนะด่านแรกที่เราจะต้องเข้าไปที่จะละหรือเข้าไปจัดการในตรงนี้ก่อนก็คือสักกายติฐินั่นเองนะสักกายติก็คือการที่เราเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนของเรานี่แหละนะตรงนี้มันเป็นประเด็นที่สาคัญมากเลยว่าเราเห็นไม่ว่าตรงนี้เป็นตัวเป็นตนของเราเนาะ ถ้าเราผ่านด่านแรกไปได้แล้วเราเห็นว่ามันไม่ไม่ไม่ใช่ตนของเราแล้วเนี่ยด่านต่อมามันไม่ยากนะก็คือวิจิกิชาก็คือความลังเลสงสัยอ่าทั่วๆไปคนก็ลังเลสงสัยอยู่แล้วนี่ก็ไม่ยากนะพวกเราก็ไม่สงสัยในพระตจ้าไตแล้วนะอันที่สามก็คืออ่ามีอสิรพตประมาทอ่าก็คือรูปคําในศีลหรือไปยึดนะ่าสิ่งที่อ่าไม่ใช่พระตจไตเป็นที่พึง่งเป็นสาระนะอันนี้ก็ไม่ยากเพราะเรายึดอนะ่าพระเจไตเป็นที่พึ่งอยู่แล้ว เพราะนั้นด่านแรกนี่มันสําคัญที่สุดเลยก็คือสักยติทิฏฐานั้นเองนะเรา <c oughs> สามารถกลับมาเห็นได้ไหมว่าเออร่างกายจิตใจเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเมตต์ของเรานะตรงนี้มันเป็นประเด็นที่สําคัญนะที่เราโสดธรรมวชิรุลุวันนะก็มีอยู่แล้วนะออสัพเพสร้างขารานิจาสัพเพสร้างขาราทุกขาสัพเพธรรม า, า, านตาตินะก็คือเนี่ยร่างกายและจิตใจเนี่ยมีแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนาตาเนาะ ถ้าเราเข้ามาสู่ประเด็นนี้ได้แล้วเราจะรู้ว่าตรงเนี้ยมันก็คือด่านด่านที่เราจะต้องเข้าไปตีประเด็นในตรงนี้ให้แตกเนาะถ้าเราไปฏิบัติธรรมแล้วแล้วไม่เห็นตรงนี้มันก็เป็นเรื่องที่เราเสียเวลาเราก็ไปวุวนอยู่ในท่านในขันนะเป็นการยึดติดในสภาวะธรรมต่ า, างๆเยอะแยะแล้วก็ไปวนอยู่ในการปฏิบัติธรรมเท่านั้นเองแต่ไม่ได้กลับมาเห็นมาไต่รักอย่างที่ว่าเออเราไปบัดแล้วรู้สึกตัวก็มีความยินดีพอใจว่าเรารู้สึกตัวดีแล้วนะอ่า แต่พรมันไม่รู้สึกตัวเราก็ไม่เห็นไม่เห็นมันแล้วเราก็รู้สึกไม่พอใจเกิดขึ้นนะอันนั้นเราไปวนในการบิดธรรมเพราะการมาดธรรมแล้วจริงๆมันเป็นการวนมันเป็นการวนอย่างไรนะอ่ามันมันจะเรียกว่ามันอยู่ในกฎปไตยลักษนั่นเองนะเพราะการมาดธรมนี่มันจะหมุนวนนะมันจะขึ้นไปแล้วมันก็ดีอ่าพอดีแล้วมันก็ตกลงมานะแล้วก็วนเข้าไปดีแล้วก็ตกลงมาอยู่อย่างนี้เป็นประจําเพราะว่าอะไรเพราะว่าแสดงปัตยรักเราเห็นแล้ว จริงๆแล้วจิตเราเ น, นี่ยก็ต้องการเปนิพพานอย่างเร็วุตสุนละล่ะคือเขาแสดงมาตารักตลอดเวลานะแต่ว่าเราเนี่ยกลับเป็นคนไม่เข้าใจเองนะเราก็ไปดี mani, เราก็ชอบใจไม่ดีเราก็ไม่ชอบใจอ่านนี่เรารู้เรียกว่าเราไปบวชไปวนอ่าวนวนตามสภาวธรรมเนาะซึ่งสภาวธรรมเขาแสดงมาไตายรักตลอดเวลาแล้วแต่เราไม่อ <Moscow> ข้าใจแล้วไม่ไปดูเขาไม่ไปเห็นเขานะตรงนี้ถ้าเรากลับมาเห็นนิดนึงเออนี่เขาแสดงไตายรักนะเราบังคับบัญชาก็ไม่ได้เขาจึงไม่ดีบ้างอ่ะ ดีบ้างไม่ดีมั่งทุกข์บ้างสุขบ้างอตรงเนี้ยกลับมาเห็นแล้วสภาวะธรรมตรงนี้เมื่อจิตเข้าใจตรงนี้จริงๆแล้วนะมันเห็น บ, บ่อยๆอเห็นบ่อยๆนะตรงเนี้ยมันก็จะเป็นการที่เรียกว่าให้จิตเขาเกิดปัญญาขึ้นได้บ่อยๆนะเพราะจิตเนี่ยก็จริงๆแล้วเขาเขาไม่มีปัญญาหรอกนะถ้ามีปัญญาป่านนี้เราบารรลุธรรมไปนานแล้ว <laughs> มันเป็นสภาวะธรรมที่เราเขาไม่มีปัญญามาก่อนเราก็ต้องไปสอนเขาอเหมือนกับอ่า เราอาจจะอ่านภาษาอังกฤษนะอ่าใหม่ๆแล้วก็ A B C นะตอนหลังก็มาผสมคำผสมคำ C A T cat นะอ่าตอนจนตอนหลังเราก็รู้คำยากๆเยอะะเลยนะอ่า m e r c h a n d i s e ่านะอ่าต่างๆเราเนี่ย customer อะไรเงี้ย เมื่อก่อนเราไม่รู้อะไรแต่เราอ่านบ่อยเราท่องบ่อยแล้วปุ๊บเรารู้เลยโอ้คานี้แปลว่าอะไรนะเหมือนกับเป็นภาษาไทยเลยนะเพราะจิตก็เหมือนกันถ้าเราให้เขาฝึกในตรงนี้บ่อยๆให้เขารู้ให้เขาเห็นบ่อยๆก็เหมือนเราอ <c oughs> ่ า, า, านภาษาอังกฤษทุกวันนะให้จิตเขาเข้าใจพอเขาเข้าใจปุ๊บก็เห็นสภาวธรรมทุกเขารู้เลยนะเขาจาสภาวธรรมได้แม่นะตรงนี้เป็นอย่างไรนะตรงนี้อเป็นความโกรธเป็นรักเป็นชัง แต่ไม่ใช่เขาจำเฉยๆแต่เขาเห็นว่าเออมันมาแล้วก็ไปไม่ตัวไม่ใช่ตนนะตรงเนี้ยถ้าให้ติดตัวเห็นบ่อยๆแล้วเขาเกิดนะเขาเรียกว่ามีโยนิโส ม, มนสิการในการเห็นในการรู้นะมันก็จะกลับมาเดินปัญญาได้เองนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านเดินปัญญาได้เองอยู่แล้วนะท่านมีบา ร, รมีเก่าอยู่เยอะนะครูบาอาจารย์ท่านปฏิวัติธรมไม่นานท่านก็บรรลุธรรมแต่ว่าของเราเนี่ย บารมีเราน้อยกว่าครูบาอาจารย์นะเราก็บางบางครั้งก็ต้องช่วยเขาเดินปัญญาบ้างใช่ไหมคือจริงๆแล้วร่างกายจิตใจเขาแสดงปัตยรักตลอดเวลาแล้วล่วละอยู่ที่ว่าเราเห็นเขาไหมเราสามารถที่จะไปสัมผัสในตรงนี้ได้ไหมไปดูก็ได้ไหมไปสังเกตการในตรงนี้ได้ไหมถ้าเราสังเกตการได้แล้วนะจิตมันจะค่อยๆเข้าใจในปัตยรักมากขึ้นนะในสุเมื่อเขาก็เข้าใจแล้วเขาก็เริ่มปล่อยเริ่มบางในตัวเขาเองโดยเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรเขเลยเ นะมันแค่เห็นสภาวะอย่างหนึ่งที่ว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปไม่ใช่ตัวเมตตนแค่ น, นี้เองนะมันมันตรงเนี้มันก็เรียกว่าให้จิตเขาสัมผัสในตรงนี้บ่อยๆนะอ่าอย่างกายมารธรรมแล้วก็เห็นแล้วบางทีเราเดินนะมันก็มีเราเดินอยู่นะแต่เดินไปสักพักเรารู้ไหมว่าเราเป็นแค่ผู้ดูการเดินเท่านั้นเองนะอร่างกายมันถูกเราดูแล้วก็ดูว่าเออร่างกายมันเดินเราก็เป็นผู้ดูเขาเท่านั้นเองมันก็แยกมาแล้วนะนะกายใจนะ เมื่อก่อนเอ๊ะไม่เราเดินะแต่เดินแล้วตอนหลังก็ดูกายมันเดินแล้วเราก็ไปดูไปนะมันก็แยกค่อยๆแยกมาแล้วนะมันต้องใช้ปัญญาช่วยบ้างนะมีความคิดก็มีความคิดเราก็บังคับเขาไม่ได้เขาก็คิดไปก็สังเกตได้ไม่ว่าเด็กเขาก็าคิดไปแล้วนะตรงนี้เราก็เห็นเออจิตเป็นทํางานเองนะเราไม่ไม่ได้อยากคิดซะหน่อยเราก็เราต้องรู้สึกตัวแต่มันก็คิดไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็สังเกตดูว่าเนะี่ยมันก็ทํางานเองนะเราบังคับเขาไม่ได้หรอก เราก็เป็นเราก็ดูไปนั่นแหละดูกายมันเดินใจมันคิดเราก็ดูไปมันก็แยกมาให้เราเห็นนะกายและใจมันก็แยกจัด ก, กันเราเป็นผู้ดูเท่านั้นเองนะการที่เราเห็นความคิดก็ทํางานบ่อยๆนั่นแหละเราก็เห็นสภาพว่าของจิตอย่างนึงว่าเนี่ยเราบังคับก็ไม่ได้นะเขาก็ทํางานก็เช่นนั้นเองมีความโกรธความรักความชังนะเราเป็นนักปฏิบัติแล้วเราก็ไม่อยากจะโกรธหรอกใช่ไหมเราก็รู้มันไม่ดีนะมันก็นําความทุกข์มาให้เราเราก็ไม่เหมาะเราเป็นนักปฏิบัติแต่อย่างใดนะ แต่มันก็ยังโกรธอยู่มันกยังไม่พอใจก็ยังหงุดหงิดอยู่อันนี้เราก็สามารถสังเกตได้ตรงนี้มันทํางานเองนะมันไม่ใช่เรามันเป็นสภาวะอย่างหนึ่งที่เ ร, วราวาดบังคับเขไม่ได้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะที่ว่าเขาก็สามารถโกรธรักชังได้แต่มันไม่ใช่เรารักเราชังเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจแล้วก็คือความปลกปล้องทั้งหมดก็เป็นเรื่องของใจนะไม่ใช่เรานะมันจะได้กลายว่าของเขาเองนะไม่ใช่เรานะตรงนี้เราก็สามารถสังเกตได้ ในประเด็นนี้นะเพราะจริงๆแล้วมันมันเป็นอย่างไรนะมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมันเป็นกระบวนการของปฏิจจสมุปบาทนะที่ว่ามันไล่มายาวเหยียดเลยนะแต่นี้เอาแค่ช่วงกลางๆก็แล้วกันนะก็คื อ, อเมื่อมีผัสสะเกิดขึ้นเช่นตาเห็นรูปเมื่อผัสสะเกิดขึ้นก็จะเกิดเวทนาก็คือความชอบใจหรือไม่ชอบใจหรือ เ, เฉยๆเมื่มีเวทนาก็เกิดตัณหาก็คือความทยันอยากในลบต่างๆเหล่านั้นอ มีตัณหาก็เกิดอุปทานก็คือความยึดติดยึดมั่นในอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นมากขึ้นจนมีการยึดติดการยึดติดอุปทานนี่แหละเป็นเหตุให้เกิดภพเกิดชาติเกิดทุกข์ต่างๆตามมาคือเป็นกระบวนการปฏิจจสมุปบาทอยู่แล้วซึ่งมันเป็นการทํางานของระดับคล้ายๆเป็นเครื่องยนต์เครื่องจักรแบบนั้นเราก็มีหน้าที่ดูว่าเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นเองนะเมื่อมีตาเห็นรูปก็มีเวทนาก็คือมีความสุขความทุกข์พอใจไม่พอใจก็เป็นเรื่องของจิตใจตรงนั้น อแล้วก็มีความตันหามีอุปทานเราก็แค่เป็นผู้ดูเขาเท่านั้นเท่านั้นเองเราไม่มีหน้าที่ไปยุ่งกับกระบวนการปฏิจจสมุปบาทใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องไปจัดการเออต้องไม่มีเวทนาไม่มีตันหาไม่มีอุปทานไม่มีอ่าสิ่งต่างอันนั้นเป็นการกระบวนการที่เรียกว่าเราไปจัดการไปแก้ไขไปแทรกแซงในสภาวะธรรมนะ <c oughs> ถ้าเราเป็นผู้ดูจริงๆเราก็ดูเขาทํางานไปเท่านั้นเองเป็นแค่ผู้ดูนะอ่าเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกแไป ว, ว่าความบกพร่องทั้งหลาย อะเป็นเรื่องของจิตไม่ใช่ของเราก็คือเขาทํางานตามกระบวนการปฏิจจสมบาทิเราไม่น่าที่ดู เ, เท่านั้นเท่านั้นเองเพราะว่าอะไรเพราะว่าการดูเนี่ยมันจะได้เห็นความจริงนะว่าจริงๆเราเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปโดยตัวเขาเองนะไม่ใช่ฝีมือเรา <c oughs> แต่เมื่อใดที่เราเริ่มไปจัดการกับกระบวนการแล้วมีความคิดอจัดการให้เขาหยุดคิดมีความโกรธจัดการเขาหยุดโกรธนั่นแหละมันจะเป็นการแทรกแทรงภาวะธรรมเราไม่มยังมีตัวตนเราเกิดขึ้นมาเราสามารถจัดการเขาได้นะอะต้องเป็นไปตามปที่เราต้องการนะ มันก็จะตรงเนี้ยมันแทนที่จะว่าเราจะเห็นกระบวนการของวัะะตรักรหรือปฏิจจานุบาทเราก็ไปจัดการให้เป็นไปตามเราต้องการนะตรงเนี้ยมันเป็นตัวเป็นตนของเราเข้ามาแล้วนะเราก็จัดการด้วยตัรหายต่างหานะมันเป็นเรื่องที่เรียกว่าเราไปแทรกแซงเราจะไม่เห็นวัฏจักรแต่ถ้าเรายอมอเห็นตามความเป็นจริงได้ไหมอ่ามันแสดงก็แสดงไปเราไม่น่าที่ดูทุานั้นเองโคตในสุดเขาจะแสดงว่าความเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไป อารมณ์ทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับความโกรธเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับความรักเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับความคิดเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับเราจะเห็นกระบวนการได้ชัดเจนนะตรงนี้มันจะเป็นการที่เรียกว่าให้จิตสรุปทําได้ง่ายขึ้นในภาวะที่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นตาบังคับบัญชาไม่ได้นี่แหละอาจิตก็จะเริ่มปล่อยเริ่มวางเริ่มมันจะติดเริ่มคลายออกจากการเป็นตัวตนในสุดก็เมื่อจิตสามารถคลายออกจากความเป็นตัวตนได้นี่เขาเรียกว่าเป็นการละสักกิจิในตัวแล้วอ ถ้าเราละได้นะตรงเนี้ยมันก็จะสังเกตได้เลยมันมันชัดเจนนะมันจะเริ่มเบาเริ่มไม่ยึดติดเริ่มปล่อยเริ่มวางะใครมาด่าเราใครมานินทาเราอ่าใครมาใส่ร้ายเราเราก็เฉยเฉยอ่าเฉยเฉยได้มากขึ้นนะมันก็จะเกิดตรงเนี้ยเราจะรู้สึกมันก็มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อก่อนเขาเขาแค่อ่ามองเราด้วยหางตาแล้วก็ปวดแล้วนะหรือเขานินทาเราแล้วก็ปวดแล้วนะเข้ามาต่อว่าเราแล้ก็โปวดแล้ว แต่เมื่อตอนหลังเออเราไม่ต้องไปละกิเลสนะไม่ต้องไปมันไม่มีความกดธไม่ไม่ดีเป็นละมันไม่จําเป็นแค่เราละตัวตนเราเท่านั้นเองนะอเข้าด่าก็ไม่เป็นไรก็ไม่กระทบเรานะนินทาก็ไม่กระทบเราะเพราะว่าเราเข้าใจแล้วไม่ไม่ใช่ตัวไม่ตนของเรานะตรงนี้มันจะสังเกตได้นะว่ามันอารมณ์ต่างก็เริ่มเบาลงโดยที่เราไม่ต้ไปละกิเลสใดๆเลยเพราะการละตัวตนน่นแหละเป็นการละกิเลสในตัวอยู่แล้วนะเพราะเมื่อตามใดที่ยังมีตัวเราอยู่มันก็มีเราลักเราชังเราโกรธเราเกลียด เราขึงเราอิจฉาเราเราไม่ชอบต่างๆแต่เมื่อตัวตนเราลดลงไปแล้วเบาลงไปแล้วมันก็มีอยู่นะไม่จะมันไม่มีแต่มันจะเบาลงนะอันเนี้มันก็มีโอกาสเป็นพระโสดาบันได้ไม่ยากะแต่เมื่อใดที่ความเป็นตัวตนนี่หมดไปร้อเซนั่นแหละเราเป็นพระหันแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือด่านแรกที่เราจะต้องตีให้แตกก็คือความเป็นตัวตนนะหรือสักกิจทินี่แหละเมื่อตีตรงนี้ด่านแรกแตกแล้วด่านถึงมันไม่ยากเนาะด่านถึนมีอะไรนะด่านแรกนี่มันจะสบทวนครั้งหนึ่ง อ่าสักกิริทิคือความที่เรายึดมั่นในตัวเป็นตนวิจิกิจชา ค, คือความลังเลสงสัยสีระปัตตบรมา ก, ก็คือการลูปคําในศินพจนต่างๆเช่นยึดอย่างอื่นเป็นพระตนไตรอันนี้ถ้าใครละสามอย่างนี้ได้ก็เป็นพระโสดาบันหรือพระสกิทาคามีนะส่วนอีกสองตัวก็คือปฏิฆะคือความไม่พอใจอความงุหงิดความโกรธความขัดเกือนต่างๆเนา ะ, ะตัวที่ห้าก็คือกามราคะก็คือกาม การมาราคาอันนี้คือการมาราคาจริงๆเลยนะก็คือในเรื่องทางเพศต่างๆนี่แหละอผู้ใดละออีกสองตัวนี้ได้ก็เป็นพระอนาคามียส่วนที่ห้าตัวที่เหลือก็คือรูปประลาคะอันนี้ก็คือความยึดติดในรูปต่างๆนะในนิมิตต่างๆสําหรับผู้ที่ฝึกสมาธิอ่าติดในรูปประลาคะเนาะติดในนิมิตต่างๆแล้วก็รูปปราคะก็คือติดในรูปประชา น, นะรูปต่างๆอันที่แปดก็คือนะ มานะ่ะนะก็คือการที่คลิปเราดีก ว, ว่าเขาเราเลวกว่าเขาหรือเราเสมอเขาเนี่ยตัวนี้มันเป็นตัวทิศท้ายๆแล้วนะเราคลิปเราอะไรเนี่ยมันจะเป็นตัวเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันมีตัวนี้อยู่นะอ่าต่อมาก็คือที่เก้าคืออุท ธ, ธ, ธจะกกูขจักนะก็คือความฟุ้งซ่านต่างๆนาะอ่ตัวสุดท้ายก็คืออวิชชาคือความต่างคือความไม่รู้นั่นเองนะอ่านะ ตรงเนีถ้าเราละได้ทั้งสนะิบตัวก็เป็นพระลาหันเนาะแต่มันตัวแรกก็คือสักยาที่ให้ได้ก่อนเมื่อตัวนี้ ม, ม Apple, ันล้มปั๊บเนี่ยมันจะเป็นโดมิโนนะโดมิโนคือมันจะล้มต่อๆกันนะเหมือนจะล้มทับรลทับกันไปเป็นแถวเลยเพราะตัวแรกล้มได้ตัวอื่นจะค่อยๆล้มตามลงมาเพราะเมื่อตัวเราลดลงไปแล้วเนี่ยตัวอื่นมันจะเริ่มเบาลงไปแล้วนะแล้วมันจะค่อยๆเลยว่ารู้ทันเรื่อยเมื่อรู้ทันไปเรื่อยๆมันจะค่อยๆเบาค่อยๆหายไปค่อยๆหมดไปเนาะอันนี้ก็คือกระบวนการที่เรียกว่า บรรลุเป็นพระ เ, เจ้าในตรงนี้นั่นเองนะเพราะฉนั้นก็เลยให้ให้หลักการให้หัวใจเองเราว่าเออเราไปปฏิธรรมเพื่ออะไรเพื่อหเห็นปัตติรักคือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนักตาไม่ตัวไม่ตนบังคับบัญชาไม่ได้และหลังนั้นกระบวนการจิตใจก็จะเริ่มทํางานในการเดินปัญญายของเขาเองนะอันนี้เป็นคนทางความบุญทุกข์ที่แท้จริงเนาะ <c oughs> เพราะฉะนั้นในท้ายที่สุดนี้ก็ขอลักษณะบา ร, รมีคุณพระตะไตน้อมนําทุกท่านเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญา และถึงซึ่งความค้นทุกได้โดยเร็วพันทุท่านเทิน